ตอนที่หนึ่งร้ยสโจชุนหงที่สมควรตายยวนเย็ยนเย็นพันรู้สึกว่าพี่ชายของนางไม่ได้มีแค่เรื่องที่มีน้องสาวเพิ่มมาอีกคนแต่ในบ้านยังมีน้องชายอีกสองคนที่คอยคดึงหาเขาอยู่ด้วยมีหน้าเล่าเขาถึงไม่เห็นค่านางที่แท้ข้างนอกนั่นเขาก็มีน้องชายและน้องสาวอยู่เต็มไปหมดไม่ได้ขาดแคลนน้องสาวแท้แทอย่างนางเลยสักนิดเจ้ามายืนทําอะไรตรงนี้หลมข้างนอกค่อนข้างเย็นเข้าไปนั่งในบ้านเถิดเจ้าเศ้าอย่างเ อ, อ่ยขึ้นอย่างขัดเขินเล็กน้อยไม่ต้องเกรงใจ พี่ชายไม่ยอมให้ข้าเข้าบ้านให้ข้ายืนรออยู่ข้างนอกหยวนเยียนเยียนเออยังไม่ใส่ใจนั่งในบ้านก็น่าเบื่อข้าเลยกว่าจะดูเสียนหน่อยว่าสภาพแวดล้อมที่พี่ชายเติบโตมาตั้งแต่เล็กเป็นอย่างไรเจร้งเศร้าอย่างคิดครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าอืมได้สิข้าจะพาเจ้าเดินดูรอบๆเองหยวนเยียนเยียนหมู่บ้านเทียนสยุยหาเจอหรือยังนั่งเด็กสมควรตายนั่นมันหนีไปมุดหัวอยู่ที่ไหนหนิวซูเฟินร้อนรนจนแทบพังโจชุนหงหนีไปแล้ว หนีไปกับไอ้ผู้ชายที่นางคบหาอยู่ทั้งคู่หนีหายไปอย่างไร้ร่องรอยนานแล้วนางไปตามหาที่บ้านฝ่ายชายเพื่อให้พวกเขารับผิดชอบแต่ผลปรากฏว่าทางนั้นกลับปฏิเสธเสียงแข็งยืนกรานว่าลูกสาวของนางหนีไปเองส่วนลูกชายของเขาแค่ออกไปทํางานข้างนอกพ่อตระกูลโจยิ่งร้อนใจจนแทบขาดใจเด็กสองคนนั้นต้องหนีไปด้วยกันแน่ชุนหงมณีเอาตอนหน้าสื่อหน้าขวานแบบนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เจ้าจะขึ้นค่าสินสอดแน่แน่เจ้าดูสิว่าเจ้าก่อกรรมทำเข็ยนอะไรไว้ นิวซูเฟินชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะนึกขึ้นได้หรือว่าคำพูดที่พวกเราคุยกันวันก่อนนังเด็กนั่นจะได้ยินเข้าบัดซบข้าอุตส่าหเลี้ยงดูนางมาอย่างยากลําบากจนโตขนาดนี้ผลสุดท้ายพอบอกจะให้แต่งนางกลับหนีไปเสียอย่างนั้นหนีไปได้รวดเร็วนักนะไม่ได้อย่างไรก็ต้องรีบตามตัวกลับมาให้ได้สินสอดจะขาดไปแม้แต่เฟื้องเดียวไม่ได้เด็กขาดพ่อตระกูลโจมองนางด้วยสายตาที่เห็นว่านางเสียสติไปแล้วนี่มันเวลาไหนกันแล้วยังจะมาพร่ำเพ้อเรื่องสินสอดอยู่อีก เขาร้อนใจจนแทบจะกระโดดตัวลอยลูกสาวของพวกเราสําคัญที่สุดนางหนีไปแบบนี้โดยไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยชีวิตข้างนอกมันหากินง่ายนักหรืออย่างไรจะไม่กลัวหรือว่าพวกนางหนีออกไปแล้วจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นข้าไม่เคยเห็นแม่คนไหนใจดําอมหิทเท่าเจ้ามาก่อนเลยพ่อตระกูลโจเดินกระวนกระวายไปมาในห้องเอาอย่างนี้เจ้าไปลงประกาศในหนังสือพิมพ์ให้ข้าเดี๋ยวนี้บอกว่าสินสอดพวกเราไม่เอาแม้แต่หยวนเดียวแล้วให้เด็กๆรีบปรับมาเถิดไม่ว่าอย่างไรขอแค่ได้เห็นพวกนางอยู่ข้างกายก็พอ หนิวซูเฟินกัดฟันกรอดได้ตอนนี้ไม่เพียงแต่จะไม่ได้สินสอดแต่ยังต้องเสียเงินค่าลงประกาศอีกเออรู้แล้วสําหรับนางแล้วหนีไปก็หนีไปเถิดไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ตอนนี้ถ้าทิ้งเงินไว้ให้เสียหน่อยจะดีที่สุดตอนนี้ไม่มีเงินสินสอดแล้วก็คงต้องขายบ้านขายที่ดินไม่รู้ว่าเงินพวกนี้จะพอให้หลานชายคนโตของนางใช้หรือไม่เออหนิวซูเฟิรนวุ่นวายอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็ได้เงินเพียงสามร้อยหยวนกลับเข้าเมือง ลิวเคอเคอคาดหวังว่าอย่างน้อยต้องได้สักพันหยวนแต่กลับได้มาเพียงเท่านี้ท่านคงไม่ได้คิดว่าเงินเพียงเท่านี้จะพอสำหรับการคลอดลูกหรอกนะลิวเคอเคอร์อเยียดยิ้มหยันท่านไม่คา ว, ว่าเด็กคนนี้พวกเราอย่าให้เกิดมาเลยดีกว่าไม่มีเงินเลี้ยงลูกก็เท่ากับหาเรื่องใส่ตัวแท้แท้เด็กอย่างไรก็ต้องเกิดมาแค่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเท่านั้นนิวซูเฟินรีบอธิบายนั่งเด็กชุนหงหน่นหนีไปแล้ว สินสอดที่ทางนั้นรับปากไว้เลยหายว่าไปกับตาข้าต้องรีบตามตัวนางกลับมาให้ได้ถึงตอนนั้นเงินอีกส่วนหนึ่งก็จะได้มาเองเงินนี่เจ้าเอาไปก่อนเถิดเลี้ยงตัวบำรุงคันอยู่ในบ้านให้ดีหากยังไม่พอก็ข้าจะออกไปหางานทําข้าไม่เชื่อหรอกว่าคนทั้งบ้านจะเลี้ยงเด็กคนเดียวไม่ได้โจเซียนเย่ได้ยินสิ่งที่แม่พูดก็มองไปด้วยความตกตะลึงชุนหงหนีไปแล้วหรือหากดาวไม่ผิดต้องเป็นเพราะเรื่องสินสอดแน่ๆเงินสินสอดตั้งหลายร้อยหยวนครอบครัวธรรมดาที่ไหนจะหามาได้ ครอบครัวที่หาเงินจํานวนนี้มาได้จะต่างอะไรกับการซื้อตัวน้องสาวของเขาไปเล่าโจเจี้เย่ยเห็นแม่นิ่งเงียบจึงตบโตเสียงดังแล้วลุกขึ้นยืนข้าถามท่านอยู่นะชุนห้องนี้ไปกับเขาเพราะเรื่องเงินใช่หรือไม่ใช่นิวซูเฟินโบกมืออย่างรําคาญเรื่องนี้พวกเจ้าไม่ต้องมายุ่งค่ากับพ่อของเจ้าจะหาคนเองหากหาไม่เจอค่าก็มีวิธีค่าจะไปแจ้งความที่สถานีตารวจว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นลักพาตัวลูกสาวค่าถึงตอนนั้นมันก็ต้องคลานเอาเงินมาคืนข้าเองนั่นแหละ ท่านแม่ท่านไม่รู้สึกว่าทําแบบนี้มันโหดร้ายเกินไปหรือข้าทําเรื่องแบบนั้นไม่ได้หรอกข้ายอมไม่มีลูกคนนี้เสียยังดีกว่าที่จะต้องทนเห็นชุนหงเสียสละความสุขของนางไปความสุขบ้าบาอะไรกันหนิวซูเฟินแคนเสียงอย่างดูแคลนนําไปหาไอ้คนจนนั่นแล้วจะมีความสุขหรือคนที่ข้าจัดหาให้นั่นต่างหากคือครอบครัวที่ดีอย่างแท้จริงถึงจะมีความสุขจริงๆหลิวเคอเคอไม่สนใจเรื่องพวกนี้สิ่งที่นางให้ความสําคัญจริงๆมีเพียงเงินเท่านั้นขอแค่มีเงินก็พอ หากไม่มีเงินเด็กคนนี้ก็เกิดมาไม่ได้เงินสามร้อยหยวนที่เอาออกมานี้ไม่พอใช้แน่นอนยิ่งไปกว่านั้นอีกไม่นานก็ต้องจ่ายค่าชาวบ้านทุกอย่างล้วนต้องใช้เงินทั้งสิน้นนิวซูเฟิร์นปลอบประโลมลูกชายให้สงบสติอารมณ์เขาช่างเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเกินไปคนเรามีชีวิตอยู่จะใจดีขนาดนั้นไม่ได้นางเด็กชุนหงนั่นทางที่ดีควรจะหลบซ่อนอยู่ข้างนอกไปตลอดชีวิตหากนางกล้าโผล่หน้ามาเมื่อไร่ข้าไม่มีวันปล่อยนางไปแน่ หลิวเคอเคอตั้งท้องลูกคนที่สองประจบเหมาะกับหลี่ชิงผิงที่ท้องลูกคนที่สองเช่นกันแม้แต่กำหนดคลอดของทั้งคู่ก็เลยเรียกันขณะที่โจเจี้ยนเย่ยพาหลิวเคอเคอไปตรวจคันที่โรงพยาบาลก็บังเอิญพบกับหลี่ชิงผิงและเจ้าชุนฮาวาเข้าพอดีจุดประสงค์หลักที่หลิวเคอร์เคอมาตรวจคันครั้งนี้ความจริงคืออยากถามหมอว่ายังทำแท้งได้หรือไม่นางกับโจเจี้ยนเย่ยคิดทบทวนไปมาแล้วรู้สึกว่าเด็กคนนี้มาไม่ถูกเวลารอให้ฐานะทางบ้านดีขึ้นกว่านี้ค่อยว่ากันใหม่จะดีกว่า เด็กตอนนี้พัฒนาการดีมากหาะพวกคุณไม่ต้องการทําไมไม่รีบมาจัดการเสียแต่แรกต้องรอจนป่านนี้ถึงค่อยมาบอกโรงพยาบาลว่าไม่เอาตอนนี้การผ่าตัดมีความเสี่ยงแน่นอนหากพวกคุณยินดีรับความเสี่ยงนี้พวกเราก็จัดการให้ได้หมอเอ่ยด้วยน้ําเสียงไม่สู้ดีนะักแต่ข้าขอเตือนพวกคุณไว้ก่อนหากเกิดอุบัติเหตุใดๆในระหว่างการผ่าตัดทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบพวกคุณต้องรับผิดชอบกันเองนี่เป็นลูกคนที่สองของพวกคุณลูกคนแรกก็เป็นลูกสาวข้าไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมถึงไม่เอา เด็กคนหนึ่งก็คือหนึ่งชีวิตการทำเรื่องเช่นนี้มันจะสั่งสมบับกำติดตัวไปนะพวกเราเป็นพ่อแม่เด็กเด็กคนนี้พวกเราจะเอาหรือไม่เอามันก็เป็นเรื่องของพวกเราในฐานะหมอท่านมีหน้าที่เพียงแค่ให้คำวินิจฉัยตามวิชาชีพก็พอไม่จำเป็นต้องมาชี้นำความคิดของพวกเราลิวเคอร์เคโต้กลับอย่างไม่พอใจคนค น, นี้พูดจาด้วยระคายหูนักได้เช่นนั้นพวกคุณก็ตัดสินใจกันเอง ขออภัยด้วยครับความจริงคือพวกเรากังวลเรื่องภาระในครอบครัวที่หนักเกินไปเลยคิดว่าจะยังไม่เอาเด็กคนนี้ไว้ก่อนความเสี่ยงในการผ่าตัดมันสูงมากเลยหรือครับโจเซนเ ย, ย่เอ๋ยด้วยน้ำเสียงที่สุภาพขึ้นเขาใช้สายตาเตือนหลิวเคอเคอไม่ให้ล่วงเกินหมอใช่ยิ่งอายุขันมากเข้าหราความเสี่ยงในการผ่าตัดก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเมื่อไม่นานมานี้ข้าเพิ่งจะทําเคสหนึ่งไปอายุขันพอๆกับกรณีของพวกคุณผลปรากฏว่าในระหว่างการผ่าตัดเกิดอาการตกเลือดอย่างรุนแรงพวกคุณต้องเข้าใจสัจธรรมที่ว่าเมื่อผ ล, ลไมมมมม้สุงงอออันนย่ร่รรรวหลเตาธชิ ตอนนี้จะเอาเด็กออกกับการปล่อยให้เขาเกิดมาเมื่อเทียบกันแล้วการปล่อยให้เขาเกิดมายังมีความเสี่ยงน้อยกว่าเสียอีก